สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บาท น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตพระเยซูตอนที่ห้าร้อยยี่สิบแปดเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮิบรูครั้งที่สามสิบสามในเช้าวันนี้พระเจ้าของพระเจ้าเรามาถึงฮิบรูบทที่สิบข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบโปรดฟัง พ, งพระเจ้า โดยเหตุที่ธรรมบัญญัติเป็นแต่เพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลังไม่ใช่ตัวจริงเครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปีเสมอมาตามธรรมบัญญัตินั้นจึงไม่สามารถทําให้ผู้ที่เข้าเฝ้านั้นไร้ข้อตําหนิได้เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วได้เขาคงได้หยุดการถวายบูชาแล้วไม่ใช่หรือถ้าผู้นมัสการนั้นได้รับการชาระให้บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งแล้วเขาคงไม่ไรู้สึก ว่ามีบาปอีกต่อไปแต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นการเตือนให้สำนึกในบาปทุกปีเพราะเลือดโคผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ได้ตัดว่าเครื่องสัตว์ว่าบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสําหรับฆ่าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้น พระองคไม่ทรงพอพระทยัยแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าค่ะจะก็ทําตามพรไทยพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือมว้วนเมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่าเครื่องสัตว์วบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปที่เขาได้บูชาตามพระบัญญัตินั้นพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทยัย แล้วพระองค์จึงตัดว่าถ้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข่ะเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทยพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่และโดยน้มพระทยนั่นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายทกกายของพระเยซูคริสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพี่น้องครับหากจะสรุปในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบเราเห็นว่า แนวคิดของผู้เขียนฮีบรูนั้นหรือภาพรวมของพระธรรมฮีบรูในบทที่สิบก็คือว่าผู้เขียนกำลังบอกกับผู้อ่านว่าพระเยซูคริสต์ทรงดีกว่าดีกว่าทรงประเสริฐกว่าสูงกว่าสมบูรณ์กว่ามาถึงจุดสูงสุดในเนื้อหาส่วนแรกของพระธรรมฮีบรูบทที่สิบนี้พระเยซูไม่ทรงเพียงทำให้พระบัญญัติของโมเสสสาเร็จเท่านั้น แต่ทรงก้าวหน้าล้ำหน้าในการสิ้นพระชนเพื่อเป็นเครื่องบูชาด้วยตัวของพระองค์เองในความคิดของชนฮีบรูนั้นจุดสำคัญของศาสนายิวถูกแสดงออกมาผ่านทางระบบการถวายบูชาของคนเลวีตามที่เขียนไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าพระเยซูได้ทรงกระทำให้สิ่งที่พระราชบัญญัติไม่เคยทำสาเร็จในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาประสบสเร็จได้ ถามว่าสําเร็จเพราะอะไรครับสําเร็จเพราะการสิ้นพระชนการถวายตัวของพระเยซูเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพระเยซูก็ได้ทรงกําจัดความบาปออกไปนะครับการสิ้นพระชนเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอนะครับโดยการถวายบูชาครั้งเดียวของพระเยซูนั่นคือการที่พระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตของพระบรมแมงเขนกระายเป็นเครื่องบูชาลบบาปได้ตลอดไปและการลบบาปนั้นเป็นการลบบาปที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับ เราจะมาดูนะครับในฮีบรูบทที่สิบข้อที่หนึ่งพระผได้กล่าวว่าโดยเหตุที่คำว่า ม, มันหยัดได้เป็นแต่เงาคำว่า เ, เงานัมม้นก็หมายความถึงไม่ใช่ภาพจริงนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาตอนช้าเราจะเห็นเงาของต้นไม้นะครับเงาของบ้านเงาของเสาไฟฟ้าทอดลงมานะครับพี่น้องครับเงาไม่ใช่ของจริง แต่ของจริงคืออะไรครับของจริงก็คือพระเยซูนะครับพระราชบัญญัติก็เป็นเพียงแต่งเงาระบบการถวายบูชาในเพิ่มพีเดิมก็เป็นเพียงแต่งเงาเพราะฉะนั้นระบบการถวายบูชาทั้งสิ้นของคนเลวีเขาถวายทุกปีนะครับแต่เพิ่มพีบอกว่าไม่สามารถนะครับถึงที่สําเร็จได้หมายความว่าภายใต้ธรรมบัญญัติแม้ว่าจะมีการถวายเครื่องบูชาอย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุที่ความบาปแม้กระ น, นั้นเครื่องบูชาเหล่านั้นก็ไม่เคยทําให้ผู้ถวายบูชาถึงที่สําเร็จหรือถึงความสมบูรณ์ของการยกบาปซึ่งเห็นได้ชัดว่าจะต้องมีวิธีที่ดีกว่าครับในข้อที่สองผู้เขียนได้บอกว่าถ้าหากว่าสามารถลบบาปได้หรือเป็นวิธีที่ดีที่สุดเขาคงต้องหยุดการถวายบูชาแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าผู้มาถวายบูชาหรือผู้นำมำสการได้ละกันชาระให้บริสุทธิ์แล้วเขา คงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไปนั่นหมายความว่าเองครับหมายความว่าถ้าหากว่าการถวายบูชาระบบเดิมนั้นได้นําไปถึงความสําเร็จนําไปถึงความสมบูรณ์บุญแบบได้ก็ไม่ต้องการการถวายบูชาอีกต่อไปแต่ในความเป็นจริงพวกเขาได้ทําการถวายบูชาทุกปีทุกปีทุกปีนะครับและคนที่ได้รับการชําระก็จะต้อง ไม่มีจิตสํานึกผิดชอบในเรื่องบาปอีกต่อไปแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นผู้ที่เสมือนถูกชําระให้บริสุทธิ์ก็ยังมีจิตสํานึกผิดชอบของความบาปนั่นหมายความว่าเครื่องบูชานั้นเป็นเพียงแค่เหตุให้ลําลึกถึงความบาปนะครับในทุกๆปีอันนี้เขียนไว้อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบข้อที่สามครับ ในการถวายบูชานั้นเป็นการเตือนครับให้กลับใจใหม่นะครับมีหลายท่านพยายามอธิบายว่าการถวายบูชาในพระองคีเดิมนั้นเป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์ในการกลับใจใหม่แต่ไม่มีการยกบาปเกิดขึ้นความจริงแล้วพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าการที่เกิดเป็นเงานั้นก็ทอดไปถึงการสิ้นพชนของพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้นการสิ้นพชนของพระเยซูนั้นก็สามารถที่จะมีฤทธิเดชครอบคลุมนะครับถอยกลับไปในอดีตและครอบคลุม ไปข้างหน้าในอนาคตข้ีในข้อที่สี่นะครับคนอ่านชาวยิวบางคนอาจจะตกใจเพราะว่าข้อที่สี่้นเขียนว่าเพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระความบาปได้ซึ่งมันก็จริงครับนะฮะตา ก, กะตรงนี้อยู่ในความคิดของคนยิวนะครับผ่านไปหนึ่งันห้าร้อยปีหลังโมเสสก็มาถึงยุคของพระเยซูแท้จริงแล้วเราไม่อาจเปรียบเทียบได้เลยครับว่าเลือดวัวผู้เลือดแพะแกะ่ เปรียบเทียบกับพระเยซูหรือเปรียบเทียบกับประโลหิตของพระเยซูนะครับเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันคนละระดับคนละชั้นกันแต่เป็นเพียงแค่เงาครับนะเป็นเพียงแค่เงาเพราะฉะนั้นปรโลหิตของพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่สูงส่งนะครับพรโลหิตของพระเยซูผู้ซึ่งโดยพระวิญญาณนิรันได้ถวายพระองค์เองโดยปาสจากตาหนิแด่พระเจ้าครับนี่คือความเหนือกว่าอย่างที่เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยในข้อที่ห้าถึงข้อที่เจ็ดนะครับ ผู้เขียนได้รับการโดนใจของพล่งยานบริสุทธิ์โดยยกข้อความจากบทเพลงสรุดีบทที่40ข้อที่6ถึงข้อที่8นะครับสิ่งน่าสนใจก็คือว่าพ่มพีตอนนี้เป็นคำพยากรณ์ถึงพระเยซูเกี่ยวกับการเสด็จมารับสภาพเนื้อหนังของพระองค์มีใช้คำว่ากายนะครับร่างกายนะครับในพ่มพีเดิมนั้นความหมายที่แฝงและลึกซึ้งได้ปลูกเปิดเผยในการตีความพ่อพ่อมพีนะครับหมายความว่า แม้ว่าจะเป็นการระบายความในใจของกษัตริย์ดาวิดนะครับแต่กลายเป็นธคำพยากรณ์ซึ่งพระวิญญาเบื้องสุดโดนใจผู้เขียนพระธรรมฮีบรูให้เปิดเผยความจริงของพระคัมภีร์ข้อนี้อย่างชัดเจนครับพี่น้องเปิดเผยความจริงของข้อพระคัมภีร์ข้อนี้อย่างชัดเจนก็คือว่าแต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสําหรับข้าพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องนะครับพระวิญญาเบื้องสุดนะใส ข้อความนี้ให้เป็นคำตัดของพระคริสต์เกี่ยวกับการเสด็จมารับสภาพเนื้อหนังของพระองค์พี่น้องโปรดฟังครับอีกครั้งนะครับในประโยคที่ว่าแต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับภาพระองค์นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของเพลงสรุป ด, ดีกรรษัตริย์ดาวิดบทที่สี่สิบแต่พระวิญญาณทรงใช้นะครับใช้คำหรือประโยคนี้ให้เป็นคาตัดของพระเยซู เกี่ยวกับการเสด็จมารับสภาพเนื้อหนังของพระองค์เพราะฉะนั้นกษัตริย์ดาวิดซึ่งมีชีวิตอยู่หลังธรรมบัญญัตินะครับหลังโมเสสถึง400ปีจะรับการดนใจจากพระญาณบริสุทธิ์ให้ออกความเห็นเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของโมเสสดาวิด ท, ทราบดีว่าพระเจ้าไม่ทรงเผพัดไทยกับเครื่องศัตวบูชาหรือเครื่องเผาบูชาต่างๆนะครับแต่กษัตริย์ดาวิดนั้นรู้ว่าจะต้องกลับใจเสียใหม่ครับและกับใจเสียใหม่และการกลับใจเสียใหม่นั้น เป็นที่พึงพอพระทัยของพระเจ้าเป็นที่พึงพอใจของพระเจ้าครับาการกลับใจเสียใหม่นั้นเป็นท่าทีที่คริสเตียนจะต้องมีต่อความบาปพี่น้องครับเครื่องศัตว์วบูชาเครื่องเผาบูชาเครื่องบูชาไถ่ยบาปพระเจ้าไม่ทรงประสงค์และไม่พอพระทยัยถาหากว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้กลับใจเสียใหม่นะครับจริงๆพระเจ้าก็ทรงยก ระบบเดิมนั้นเสียเพื่อตั้งระบบใหม่ที่สูงกว่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเพื่อนครับเรามาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่สิบครับเราเห็นว่าโดยพระไทยของพระเจ้าพันธสัญญาใหม่ได้เกิดขึ้นครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระ ก, กายของพระเยซูเพียงครั้งเดียวที่นี่เน้นนะครับว่าเพียงครั้งเดียวนะ คำเพียงครั้งเดียวก็คือพระเยซูสิ้นพชนเพียงครั้งเดียวพระเยซูเสด็จมารับสภาพเนื้อนหนังนะครับพระเยซูถวายตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่าบาปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็พอแล้วครับดังนั้นเององค์จึงไม่ทรงเป็นเพียงมหาโพธิตที่ยิ่งใหญ่ของเราที่สุดนะครับเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นเครื่องถวายบูชาด้วยรงทรงกลายเป็นทั้งผู้ถวายและเป็นทั้งเครื่องถวายบูชานะครับ พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทําเพื่อเรานี่คือสถานภาพของพระองค์คือเป็นผู้ถวายบูชาและเครื่องถวายบูชาในเวลาเดียวกันขาพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเห็นถึงพระคุณความรักพระเมตตาของพระเยซูที่มีต่อพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ที่มีต่อพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนและเราจะตอบสนองเราจะสํานึกพระคุณของพระองค์ตอบสนองพระองค์อย่างไรถึงจะสมกับที่พระองค์ได้ทรงกระทําเพื่อเรา ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเข้าใจและตอบสนองอย่างถูกต้องอาเมน